ก็เกิดแก่เก็บตายไม่สงสัยในโลกถ้าปวงสิบวันรอบโลกบ่ใช่ชื่อหอไปสาบสี่ขึ้นก่อนเหมือนกันจังสิว่ารอบโลกเห็นอันหนึ่งซัดก็กระซัดเหมือนเฮ้ยคันเห็นนังซัดก็เห็นกระดูกซัดขึ้นกัน่คันหลงนังก็หลงกระดูกขึ้นกัน คันลงหูก็บลงเสียงคือกันคันลงได้กับหลงเสียคือกันคันหลงหมื่กับหลงสว่างคือกันคันลงปัจจุบันกัลงอดีตและอนาคตคือกันคันหูจักปัจจุบันตอนนี้อดีตตอนนั้นกับหูจักอนาคตตอนนั้นกับหูจักคันหูจักปัจจุบันตอนหยาบอดีตตอนหยาบตอนนั้นกับหูจักอนาคตตอนหยาบอันนั้นกับหูจักคันหูจักปัจจุบันตอนกลางตอนกลางอดีตที่รูมันลวงมาแล้วที่อนาคตจะบันมาถึงกับหูจักคือกัน ตอนละเอียดคืออย่างคือของพระรหันพื้นว <ksam> ่าพุทโธพุทโธไปว่า uhm. ผูู้ผู้ลูพระโสดาบันผู้ลูกพระสกทาข้ามี่ผูู้กพระอนาค้ามี่ผูู้กพระหันผูู้พระปเจกมียิงย้อนกกันเอ๊เจ้าที่ตีตนเที่ยมว่าพุทโธพระโธไปว่าผู้ลูกจะไปเทียมพระพุทธเจ้าเมื่ก็ถึงก็เป็นผู้สาวกสาวกซี่จาพวกกันสาวกาสาวกกันนี้สาวิกาสาวกกันนี่พุทธสาวกกันนี่ปเจกาสาวกกันนี่ะ อนันหันสีจำพวกคือเขาเปโกตวิโชชลาพิโนปิามิซาปาโตนี่นี่ก็พวกหนึ่งนี่พวกสาวกนี่สาวิกาก็คือการนี่อนหันชีจำพวกที่มสันวรฒะนี่นะครเนี่สมมาสัมพุทธเป็นสันวันะสันที่หนึ่งพระเจ้พุทธเป็นสันวัฒนที่สองสาวกพุทธเป็นสันวรฒะสันที่สามสาวิกาเป็นสันที่สี่ังในจังหวัดสันที่สี่ทุยิงเพียงก็มหิคา ผู้หญิงจะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็ห้ามมาให้ประเทศท้าพิสูจสงฆ์คนทรมานผู้หญิงต้องพุทธเจ้าทรมานผู้หญิงทรมานที่สุดทรมานผู้หญิงมันดื้อผู้หญิงควาพินิทรมานหลายมันก็มีแนวดื้อนะฮะผู้ใต้มันก็ดื้อตายเข้กันพระราชิกแปดเปนผู้หญิงพระปาราชิกซีน เจ้าขอสู้พระนิพพานตงเสียต่งลานท่งโกรธขึ้นกันแล้วพวกผู้ยิ่รอมารเจ้าพวกผู้ญิงนะนั่นสวรรค์มันมิเทวดาหลายบุเห็นหมาวาดมาวาดมันมิเทผู้ยิ่งหลายสมัยสมุนผู้ชายแบบโคตรกับปลาผูมืนสาธัผู้ยิ่งอยู่ตัว ผู้ชายมีหน่อยเลยสมือนี่บนไดบนไดกระดาคัออกปฏิทัพผู้ยิ่งแม่เฮาเขาเป็นผู้ยิ่งคือกันด้วยเขาก็มนออกมาจากผู้ด่าคนหันขโมนออกมาหุ่จากผู้ดากแม่เฮาหัน นางพาวาน่าสูเมียนางอยู่ไฟ่กับอะไรเติที่อกเวยเดนกกนนนาานินยังกกงกับสูเมียไปส่งเขาพ่อกับ่ไรเนื่อยอละทุควัผเพเพรว่าสูเมียไปหาเฟือนกับยังวานนรยทำหิ้วเขาให้กินนมมาสั่น ค่าปลาคือเมื่อหนึ่งก็อุ้มลูกกินนมเมื่อหนึ่งยุบครรส์แา้ปลามาตำปนตำแก้วสิลูกปรเรียงหัวละค้อยลูกพอคานเป็นนึ่นตาหนึ่งก็เ บ, บ่งลูกค้านังเทียมนอยากมตุเ้ืงอันตอนนั้นคณะนนคิดหนึ่งก็ยังบนึกถึงพอ่อทั้งแม่ค้นบาปนะชา้าโหดจอบเสสีอยากซื้อขาเพาผิดพอให้แม่งออยบลา ขี่แลบลิ่นออกเห็นไม้แก้กงขีก็ย่งสู่ยังสู่บวชทั้งทำทถ้งวินัยเมื่อใดบุรเจาสอนเช่ตอนนั้นแล้วเกิดมาพบราชสาาัตได้กับบุตรสิงพ่อที่แม่ทักษะต่พบเลยบุติเจ้าว่าสันชัดที่รักาเกับว่าทิมคือเมืองพมกขล่านะเว้ยว่าทิม ทิมพ่อทิ่แม่พูดได้ทิมพ่อทิมแม่กับพูอนทิมกับพทธศาสนาศาตนาคือกันแล้วลึกถึงพ่อถึงแม่ดูเ็ช็ดยังไงเเหาไปเห็นหน้าหิมะก็พ่อว่าน้าเห้มาดูหรอวะตั้งแก่พระเจ้าช่วคนทุกข์หลอมันก็เรียกว่าแพทย์หมุนแทย์คุ่นบนจนตัวออข้อพ่อว่าน้าเนาะ เท็นกางเกงหลังขึ้เนเข็งหน้าลิกาแขนคอข้นี้กางเกงหลังแล้วซีกออกไปแล้วได้ลุ้งกางเกงหลังลกับได้ซีรถมอเตอร์ไซค์ไปุ่นพ่อปุ่นแม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เากระจาออกไปกขี้ไปไกลผาขาเพืนแขงจึ้งออกแล้ว เพื่อนในใเอากระโปงหัวเลยแห้งคักหลายกระโปงหัวเียสาเป็นที่สั่งบอกมูฮั่นสีไปคนหมืนก็คือคนบวชพระคนหมืนคนางพระโถวบวบึงจะขอเนคนขี้ข้าเนคนไปบวชบว่า เ่้าบักแงผาบางเดีตื่นได้ปางไหนอีผเราผัดงานคนจิกันจ่มาบวได้บุคคนมหมือนคนี่เยถ้าเาคือเหีนแต่พระลหันกันพวกเดียวมันมอนเป่อมนเหมือบทางไปแล้วมาสุดนะสู้มูนันมันม่เหมือดอกบ่ไปท่าหมาบก็ไปทบุญจำเขาพระหันมาก นึไปทั้งบุญนกกลัไปทั้งบาปว่าไปสร้างสัจจสัสานกับไปเทวโลกภพโลกมหาวิจิตรเมื่อวันเมื่วันทังพวกเมื่อวันทา้งวันอยแต่พลังหันยางพวกเดียวมี่วันไปมื่อล้วทุกทางแล้วมดหลังก็แมนทักษิณเอาหลังไี่ยังเสพพู่มหระพ่อห่อบุญกระละพ่อหรอบุญกระทางพ่อหรอบาปกะละพ่อหรอกิเลสกะละพ่อล้ว กูมิเนี่ยเหตุ เ, เหมือนทางแล้วสบายฮันตัวเอวันเต่าตัวทุกขัดสาเป็นที่สุดเห่งกว่ทุกบวดป่ะนอมคิดนอมใจเพื่อมักพ้นนิภานหัวดมันก็ว่ถือขึ้นกันเลยมันปรมีอิทธิพทในกิจจาของมันมัมีควบอาหารในกิจจากของคัวังพทุกในวัตาทรสงสาร ถันกเกิดหมูห้องสิพนผู้พนกสร้างบวชข้าวมาวหวงพทุกในวัฏสงศารโลดเห็นภายในวัฏสงศารอย่างเต็มที่โลดเห็นเหมือนลุมทานเพิ่งเอาโลดทั้งอดีตหน้าคทั้งปัจจุบันเห็นมือและเทืาซอนเท้อกันยังดีก็บ่เห็นเห็นป็นเนื้อนิดปุนแห้งชินายอะแห้งสิุษสิพน่ะหวังสนเอาโลดอันเดียวกันก็บ่เห็นอันนี้จังทุกครังอนามก็มีข้มาอันเดียว ซื้อเกิดไปแล้วสื้อทีแก่ซื้อที่เก็บซื้ที่ตายด้วยพุทธเจ้าแมนบ่สันว่ามันโหนเอกบ่สันสู้อทำดีเลยดีซื้อทาทัวเลยทัวบ่สันว่ามันโหนเอกบ่สันบ่ามันอภินิหารบ่สันเปรี้ยอภินิหารใสสันมาเขารับตาลงมันมืดว่ามันอภินิหารทั้งทั้งมืดบ่สันเขามื่อตาขึ้นเห็นฮงก็อภินิหารทั้งเฮนฮงเขาทําดีสม่ำว่าดีดีบ่สัน ศาสตร์กรได้เเจ้าทบสัวมาพอแหงเจ้าอหนึ่งบออันนี้เจ้าสิมานึกอเอาท่มนนี้บมือว่านเจ้าเฮงยังเนีือมันให้ผล น, นาเจ้ามายอยู่ฝัมือขีดถูดผู้ฆ้าเฮ็ดดีสิตายว่เฮ็ดเนี่ยแล้วผลดีศาตกรไมูอว่านศร ก, กรมือหนึ่งมือตึงมือนึงมือนึงเขาถือไว้เจ้าต่ศก็ยังไว้ได้สั่นหรืหหหหหอศาไไอสตรกรมั่ะผลของกรรมน่มันนามาะะมันมานาเจ้า จะอะไรไปพี่จะหน้าตาดินี่มันเราว่าพี่จะหน้งแต่พบก้อนศาสรก้อนมาอีกมองสันขมือนี้มืออื่นก็มีคลื่นกันละมืออ้านก็มีคลื่นกันละจะมันท้งนี้แต่บัญชีมันมันรวงมาแล้วถ้ำทั้งหลายมังวมในปัจจุบันมัดพี่จะหน้าเห็นท้ำในปัจจุบันพูดมาพูดพระระสงค์ก็ร่วลงในปัจจุบันมัดแปดมือชื่อประถ้ำอาคารก็ร่วลงในปัจจุบันมัด ข้าวครั้งหนึ่งครบแปดหมืนี่พระธรรมอาคาผลร่มไม้ก่ออกครั้งนึงครบแปดมื่นี่พระธรรมขาคผลชีพันพระธรรมอารผลมีทั้งมกผลในพ่ามีทั้งลูกเวทนาสัญญาทังขาเมียามีทั้งโคกเกิดแก้เก็บสายมีทั้งดินน้ำไฟร่มคคบปัดปัจจุบันนันจโยธรรมังผู้ได้เห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะไม่สงสัย คนสงสัยปัจจุบันไปยังสิบ่สงสัยอดีตอนาคตคนรู้ชับแน่ปัจจุบันไปยังสิบว่รู้ชัดแน่อดีตแน่อนาคตเพราะย่านเอกตัวเอาปัจจุบันถ้ามันเอกปัจจุบั น, นเหม็นซองทางเขาไม่ปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมธรดวงใจมันเนี่ยดวงใจธรรมมันเนี่ยคือก ยอดพระไใจพิโรกมุ่นกัปัจจุบันปัจจุบันธรรมปัจจุบันนักคิดปัจจุบันธรรมยอดพระกันใจพิโรกพ่ะเสณะพิโรกพิโกแต่ว่าที่รวบรๆสิ้นสมาธิปัญญารวมลงในปัจจุบันเออเห็นนาเห็นตาเห็นดังคือากันเขามายู่น้ากันเห็นสิ้นก็เห็นสมาธิเห็นปัญญาเท่ากันของมันอยู่มันเดียวกันทุกขเที่ยวกับทงหมาถอดมาโมตังยะเอามาใส้น้ากัน เที่ยวเหมือเปียกเหมือนกระเป๋าหอนเหมือนกระเส้าเพราะว่าน่าเขาเวลาไม่น้อยเหมือนเหมือนว่าน้องผู้ใดมันชีวิตท้องผู้ใดทั้งว่าเวลามันก็เวลาไม่น้อยสู้หายใจสู้ชีพจรเดิมเดิน อาเชาเดินกับมหาสมุตรว่าตายกันตัวเวลาไม่น้อยหรือว่าเวลาหลายวาที่ประสามีจะพิสทราบผู้เฒ่าผู้นุ่มมืมีหมดผู้นุ่มตายผูเป็นตายมาเส้นทองมืนก็มีตัวส่วนวินเาีมันทำว่าตายได้แหละจิริมันท่ตายไอันหินขุดยุสมือเนี่ยมัําคั้นมาได้ได้เล็ดซับได้ได้ อเกลียดอดควมหลวงในวัฏสงสารหนึ่คัญก่นันเลยผู้ไร่เ้นที่ใชมาสนะกควบมูอยืนคบุญเปนผู้สลาดั่น ไผ่ิมาเห็นฮงนู่นคันบามาเมือนคันบมมื่นตาซะก่อนไ้วงสไผิมาศาสนาควบมค้านอยี่ยนี่คันบเอาควบมันาสนาอวงสารไผสิิมาสนาควบสงสัยคันบุเ อ, อมมาควมสงสยัออมสงสยมาสนา ยังพระพุทธเจ้ายุฟึ้ปืนพรหยิ่นดีในลใสงสาน่หพะเจ้าฟึกปือพหัยินดีในโลกในสงสารนนนในเ ก, กิดแก่เก็ดตายก็อุ ป, ปมาคื อ, อหัยินดีในโลกโกลงนั่นแหละก็ควั้วไม้อันเดียวกั น, น, นมันยังหลงอยู่ของโมเทียงมันเชื่าเป็นของเทียงของโมงามมันเชื่อเป็นของงาม อ, ออกนั่งออกมุ้งรูดล่ะน้อง ต, อตางซื่อบอ่สาวใส อ, ออกมงรูนั่งน่งกันเดียวจะขี่ออกจะกองมุงรูดยัน จ, จะแตกกันช <c oughs> ัวรอะไรนี่ขี่เนี้ออกจะคอนบงรูดเนี่ยแตกกันด้วยนอนะลอแล้วล่องมาละบ่เหยาอีทานนะ่ะเามันมันปลุกตัวที่เสียตัว เขาอาบน้มยืดเมื่อมันยังไข้ได้นับใสแนะนำใส่ห้องพายไปล่างให้มันแ่ว่าสัญญาทายกับนี่พูดได้ไปถูให้มันมันออกตามธรรมชาตินะฮะตอนนั้นพยาคิดตลาดขึ้ยิงยิงตัวพายบอกใส่บัวฟังตัาทำไปเตถ้าไปแทะโตนั่นฝอาห้างกระดูกยู ว่าตัวป่าเซอร์ลมซาพย่างกิดตลาดนั่นสอกองขี่อยู่ขี่เต็บททองว่าตัวเป็นคนสมควรพี่บอกกบฟ้องตัวแพยังกิดตลาดทันทีล่วมาเทียรท่าโอ้ยของฟ้าว่าน่าสะดวกของเดินจกมมุกกลมบงต้นบาหุวงด้วยกันกวนบางฮงันหลายดาเดยพี่บอวพี่จบอกย่ออกตัว มันมันไก่ตัตัวหงทันทีได้วะ อ, อันเพจ้าห้างกระดูกนเนี่ยมไกก็ตัวตัวหงหน่โซฟโอ่ <laughs> แำ่เสยงญเป็นปชุกแต่เ้าเกิดมานี่ยคำม่านอนเป็นชุกสังิพักรตื่นเฮียงเสียสมอนอนเนี่ยปอคำว่านั่งเปชุกกัสมมนังัลคำว่ากินเปชุกกัสมุกินยุเมื่อคืนของข้าวงุหาใจเขาออกเป็นโรคพยาบาลกายได้เฮ้ยแต่ว่ามันเป็นโรคพยาบาลกายเนี่ยอัดทู่ดังมึงแจ๊คซูโม่มึงรุ่งยามดิ่มควดเขาดัว โชยทานอันนี้นก็พ่ะพ ญ, ญา้านพ่อบันเทาพ่อบรรเท่านะมันเท่าไปมันเทามากกตายส่มเห็นไหมโลกตายแล้วพี่จะหน้าตายอันเดียวก็เห็นครบใจลูกกถางขึ้นกันพี่หน้าแก่อันเดียวก็ครบพระไตรปิฎกขึ้นกันพี่จะหน้าเก็บอันเดียวก็ครบพระไตรปิฎกขึอกัน ที่จะน่าข้อมุมันว่าเทียงอันเนี้ยคบพระไตปิฎกคือกันรวมยางหันทัศนศีลสมาธิปัญญาเนี่จิตเป็นเขาหลังสร้างจริงมากเสมอผู้คานีนั้นศีลนี่นี่เขาหลังสร้างมาทั้งนั้นผู้คานี่มันสีเขาจริงจริงมาต่าแหกทั้งขวางมากเนบอจิตสมาธิปัญญาเขอยู่บนเดียวกัน นักเทศกับนักโทษกันเดียวกันก็มีกิเลสก็เป็นโทษขึ้นกันนักฟั่งกับนักฟังกันเดียวกันักฟั่งเราสงสัยมากับฟั่งคึอเก่าอ่หละของสันอรรว่าก็สงยมากับ่มาก้เก่าล่ะเขาโกนเพร้ะรนหัวออกเขาปักุตอกมันลุกเขาโกนมันแล้วหมดขึ้นก็ว่มีก่อนเก่าน้งเมเถอสังข a ว a n แล่ประเทศก็ไม่ก่อนเก่าเนี่ พุทโธคือเก่าหั่นได้พุทเทพมาจะใส่อีกในพุทธที่มาด้ใส่อีกคุนโมพุทธเจ้าของเก่าฮั่นขุณประทั่งกันเดียวคุณพระสงฆกันเดียวคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันเดียวคุณได้ในใจลูกกราบทาาอะไรห่วมคือขุณพุทโธคุณพุทโธแท่ถ้าโมแท่ถ้าโกแท่อะไรห่วมคือขุณพระนิพานอันเดียวกันนี่มันดึงดูดขึ้นพุนหรืว่าอย่างไรกันคือเขียนทิดดึงดูดไปทางทิศเหนือเน่ย คือน้ำทะเลดึง ải, ดูดลงคือน awesome. eh? uh, ้ำดึงทั้งหลายดึงดูดลงใสมหาสมุทรทะเลคนเมื่อเลี่ยมใส่ในคําสอนพระพุทธเจ้าสไปเรียมใส่น้าหยั่งเมื่อยินดีในคําสอนพระพุทธเจ้าสไปยินดีน้าหยั่งเมื่อ่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิปิปฏิบัติน้าหยั่งได้หน่อยก็ไม่ท้องตัวได้ร้อยก็ไม่ท้องตัวสิที เมื่เข้าลบนับถือพระพุทธศาสนาจะเป็นเข้าลบนับถือยังสั่นผีชนะนั่งคาชามิสิว่าสมองเดือดม้นกลนะคาถาชนนั่งคาชามิสิว่าสมมันมอบดซีคำว่าอะไบาเข้าลบผีพระพุทธเจ้าตายไปบ่เป็นผีบอกสมาเที่ยงม้อ บอกลยบอกผูที่เจ้าว่าใส่ข้ามหยาบว่าผีเด้ว่าใส่ใส่ข้าว่าเขาสู้พลันพานเลยหมอได้ตนวเจ้าไปเขายกใจงั้นเหรอมันค้าหยาบค้ามผีหนิว่าผู้ที่เจ้าตายไปแล้วกักี่เดียดเพื่อกระตายคันหาเพื่อกระตายดับไปเหมือนเด้มู่วเฮาอมันกี่เดียดไม่พอนับเด้ไว้เหร่มันผีเด้ไว้เหรอจะไปก้าวตู้ผู้ที่เจ้าเป็นผีไม่มีอันนี้ไว้เหรอ ไหว้พระพุทธเจ้าอยู่สเสมอนียมไหว้ผีบกคตายไปตัวขนาดมันว่าไ <c oughs> หว้คุณเพิ่นาั้นลเาก็มาสอเห้ากาันเรามือนี่ทำไมถึงไหว้พระพุทธโลกมาเพราะเหตุอะไรทำไมถึงระลึกธงชาติระลึกทาไมเรญญาศาสนาชาติอยู่ที่ททรงหรืออยู่ที่ตัวของเราเนี่ชาติ นั่นเป็นเครื่องเตือนใจพพุทธลุกก็เหมือนกันอาคนเควาพระพุทธเจ้าเพิ่นยังม a n g ดอกไม้จบว่าจังเอาดอกไม้ไปบูชาเพิ่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นโบเหินหงมจังเอาไฟไปบูชาเพิ่นเพราะว่าแล้วประเทศยเนี่ยเพิ่นเพะ่ ผูทีเจ้าพเนาเป็นหมดต้องคอยเอาพาไปปลุกเพราะว่าอันนั้นก็เหตุเขาลบพระเดชพระคุณของเพิินมามันจะเห็ุอันอื่นมาเสีนมันแก่มีถนันเข้าลบคุณของเพิินผลหน้ามาคุณคุณในหน้าผนคุณขอาพุทธเจ้าเป็นอนัตตาคุณคุณพระธรรมประสงค์ก็คือการคุณของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอนัตตาคุณคุณอันเกิดบวชักคุณของท่านผูมิคุณก็คือการ ถึอนัตตาคุ้นคุ้นม่นเกิดเม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงถึงอนัตตาได้หมดพ่อแม่หารกับพิจารณาลงถึงอนัตตาได้อนัตตาทมที่บ่มีเว้นที่บ่มีไพ่ด้พิจารณาลงพูรูได้คือการพูรูที่บ่มีเว้นบ่มีไพ่ ทนนน่นั่นคือกันพิจ้าหนารองผู้ลูกได้เม็ดนุภากรรมาทานเน่ะผู้ลูกที่ว่ากำหนดชวยกำหนดงามผู้ลูกไม่ไร้ชันผู้ลูกปฏิบัติตามผู้ลูกปฏิบัติยิ่งแล้วลูกชอบแล้วลูกเอารุ้ว่าพ้นแล้วผู้ลูกไม่ไร้ชัน รู้ว่าถึงพระสสดาบาลรู้ถึงว่ารู้ว่าถึงพระเจทาค่ามีรู้ถึงพระอานาคามี่รู้ถึงพระอรหันเนี่ยผู้รู้ในพระพุทธศาสน า, าจักมาเอาไปกดเกณฑ์เนี่ยแต่ผู้รู้พระสสดาบาลอันชุบเทพานุนอกก็เนะี่ยมันฟันเฟืออโผดตัวเขาไปรักไปโกเขากว่าวเขารู้ยู่สิว่าอย่างไรเช่นเอามาเป็นกดเกณฑ์มั น, ก, นกับอะไรมันฟันเฟืออโผดเขากอกว่าเขาไปรู้ ่เขาไปรักประสบอยู่แม้เขาที่ปฏิเสธไนดก็ได้อันพูรูชนิดนั้นไ่ได้เอาเขามาในผูรูเลยดัที่โกพูกมันรู้ยอ่ยอมเห็นเองไหมถึงจะผสมดาบันไปเลยชู ป, ปเจปโนโกไม่อาจระผสมดาบันไปอาการที่โกก็ไม่อาจจะผสมดาบันไปเป็นพระแม่จันเบื้องต้นขโมยพุทธถาชนะ ตลอดถึงสัพะาขามิเอนาคามิเอานะหันอยู่ในอุ้งมือแหละผู้นั้นเดินทาถึงเลยได้เพราว่าเสวะปัสยได้พูทถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื้อพวกนั้นเขานำวัฏจะเจริญขึ้นทางหนาเหมือนพระจักรในวันเพรนยังยิงก่าพระจากรในวันเพรนอีกวัฏเพรนมันยังกลับมาแหมอีกซ้ำลราบอกอันนี้มันก็กลับมาแหมเด็กจิตใจปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทระ้หงสูงขึ้นตะพุทธพื้ แห่งชนะควมหลงเจ้าของขึ้นต่พืชตะพืชค่อมหลงแห่งนับมือหน่อยลงฝนตกลินอยู่บม่มีกระเว้งกระเคืนแผ่นดินกระซุ่มอยู่ไม่มีกระเว้งกระคืนนํามือส้มขึ้นบุญสี่พอเมตง่าขาหินกระตามควอมดีทาเมตง่าหะขาหินกระตามทรงต่อภายในพานหมดทำเพื่อภรยในพานหมดทำเพื่อทาเพื่อผนทุกในวารสงสารโดยดวนในปัจจุบนาาันนี้พึ่ดลงพุ่นมันจังมาสงสัยขอสั่นปัญหามันก็ายแล้วเฮ้ ไหวายก็คือกันกลับไหวลงหวังเพื่อค้นทุกข์ใหปฏิบัตินาศาสตร์ปฏิบัติานาคิดปฏิบัติธรรมพ้นมันไหวายเพื่อสือหลอกกินขนมผู้ใดเดือนกุมภาพหน้าคือกันเดือนจนเมื่อขึ้นหอวมือเศร้าป่ะหวังเพื่อพนทุกข์เพื่อล่วงโกรกเื่อซื้อเพื่อหลอกกินขนมเื่อซื้อมันกระแทกเกาเ่ากันแล้ว เมื่อคืนอยู่กับเจตนามันเจตนาส่วนนี่ไฟเสมาเป็นพิญญาณหายมันมีไฟเป็นพิญญาณหายได้เจ้าของต้องรู้เองเด้เพราะพิญญานท่างเจตนาบุมีนี่เป็นทีสังเกตเอาซื้อๆบางที่ก็ถูกบ้างบางที่ก็พิษบ้างแต่พิษล่ะเป็นส่วนมาก ของทอดถอยได้พระพุทธศาสนาส้ำไหนจะของเหลือซ้ายพระพุทธศาสนาซ้ำไหนจะของยินดีในการพ้นทุกข์นวัตตาสงสารซ้ำไหนที่ไปถามพื่นอย่างนี้จะถามเจ้าของนเท่านี้เจ้าของมาประพฤติเพราะมาจันทรหวังเพื่อพ้นทุกข์นวัตตาสงสารนี่นี่บ่หรือหังว่าอดคนซรือซอก็ถามเจ้าของอะไรบ่ทีไปถามผู้ใดลองสั่นอารมณ์เซ็ตกับจริงก็นได้ ถ้านี่ตัวเจ้าของมาที่ตัวอะไรจงไงสันตัวเจ้าของมึรู้เขาเป็นตัวอะไรเพ่ามันหูจ้างอยู้มี่ปฏิเสธเจ้าของกับปฏิเสธบะไรคือกันเจ้าของปฏิเสธกับหจัางเจ้าของปฏิเสธคจ้ของตัวของเจ้าเจ้าของตัวอายุเจ้าของปรตัวของเจ้าเจ้าของปรตัวอายุเนี่ยนัทธิโเกีและหัวหน้ามหคมลับบมินเนรุห้องยังไงห้องของหูจ้างกูนี่ ผู้นักข้นพบว่าดักเกท่ใจญ่เป็นองอัศจรรย์นะ่นโยอัศจรรย์ูเขาเล็บกลางเข้าคนว่าเขานึกไปยังเข้าหงจักกนเขาหลือวเขาเปนจะมาท่วงเขานี่สิภัยคะแนนเขาอยู่บอกว่าผู้ดี่ให้คะแนนนี่วะพี่บาวบอกว่าเข้าหงจักกผู้มาท่วงหรือวะเดี๋ยวนี้กาลังนลืกไปยังสัตนี้ได้เพื่อนมาท่วงถือกระชังเขาหงจักกรพวกนั้นหรือว่ายงไรวะ โอ้ยชัตโดนก็อนชิสอทิประฆ่าหาวัเนาิก้สงสัยเลยวรัฐที่ได้ไหนในต้ลกทาดทอรัฐที่พระพุทธศาสนาบอกสอนครบเวิรดอ่ะอันไดอันพระพุทธเจ้าบอสันเอามาลองดูอ๋อ กว่อมามอมรู้ถ้าโลกท้าท่องสายโลพกพุทเจ้าซ้อนหมดแหละผู้รูกควบกิดแก้เก็บตายเฉพาว่าโลกกวถทู่บาสันรู้แจ้งซึงโลกรูกซับจึงสันแหละ ซาดโคบเกิดมันเป็นทุกข์สิบวารโรคเขาวิทูปวะลูปผมขนเล็ฟันนังเนื้ อ, อยู่แน่ใจอำนาจอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเมื่อมันเม่เทียงเกิดแรียแแ่ยวแปรปวนน่แจกสลายมือเมื่อมันสิบวาโรคเขาวิทูปวลกโรควิทูสาวกะโรคเวิทู ก, ก็มีเมื่อใส่ไม่มีแต่พุทธโรคกวิทูนาวิกาโรกวิทู ก, ก็มี ลูกแก่งโลกคือกัดทั้งนั้นว่าลูกแก่งโลกให้ในติขามโลกได้ขามโลกกับขามโค่นหลงกับอันยวกันหรือว่าอยงไรชนะโลกกับชนะโค่มหลงจากของกันชนะคว่มใจเขาจะพิชคล้องจะคลองอ่ะชนะโลกสู่กับโลกอ่ะสู่กับโค้งเขาจะพิชจะคล้องอะเอาโค้มเขาใจถือมาสู่โค้มใจพิดเขาจะพิชนะสู่ลกโกกับโลกอ่สู่ลกโคกาก็โควงเขาจะพิชจะคของอ ชนะลกก็ชนะควบเขาจะพดของกระป๋องครับสนามลบก็อยู่ในหัวใจชนสานามต่อสู้ในหัวใจกิเลสเกิดอยู่ในหัวใจแต่สู้กันอยู่นี้เราบอกโลกโคล้เขาอยู่ในนี้อันโมลกโมโคตรโล้เขาอยู่ในนี็ต่อยกันอยู่นี้เราบอกสระกกับนะกันอยู่ในเมืองใจโมชนะถึอแพ้กับแพ้อยู่ในเมืองนี่หรืว่าอย่างไรักนี่หละน า, านลบหัวใจนี่ สนามหลวบปะไงพอกิเดตมาตั้งเนี่ยนีเนี่ยควบหลมงมากระตั้งเนี่ยหนีเนี่ยมันตั้งเมื่อฝามันเนนด<อ>ียดคเขยดหม้ อ, มอป็นย่อหายย่อล่องลุงล่มมันมาเมีนผู้ใดเป็นผู้สงสัยเน่ ย, น ม, ยมันพู่งหัวใจเนี่บ่ท่นผู้ใดที่ินควบสงสัยก็มันพู่งหัวใจเนี่บ่ท่นไพ่ผู้สางคือมันพู่หัวใจเนี่บ่ท่าน มันผูรู้ดีบอ่ะ ส, ส, สีสร้างนีสร้างซั่วขึ้นก็ได้ผลได้รับก็ตริยนผู้ดีบเป็นผู้ได้รับก่อนมูเขาอนตายมันได้รับเป็นบอวิ่งนมันบมอย่หันไปขี่เสด็จมันมันกับเ่วาน ย, ยังเมื่อันตายด้วยหรอห้านันกิเลสไมอย่หันส่งยหุหันมึงไม่จักกูบอเหรอเผื่อว่าตัวข้อขอนไล่เขาไปโทษตัวหรือพอดีปืนลั่นใช่ปุ่นบอกใหม่ใช้ปุ่น <laughs> นี่ มันนว้นะี่กูเอาเขามาใช้ใจนี่มันมันจังบกระจุยกระจายสมมุดแต่สมตัวใจต้องเป็นต้นสมมุดมันยังสั่งเป็นสมมุติตามันว่ามันเป็นตาบ่หูมันว่ามันเป็นหูบ่ดังมันว่ามันเป็นดังบ่มันใจบ่ไปใช้ซื้อให้มัน เีนมันว่ามันเป็นเรียนโ่้มันใจว่าไปไส่ซื้อให้ม really ันโมจิตตาทั้งขาหนีไปไซซซื้อให้มันท่นเนี่ยมันมวยผู้ใดไซ่ซื้อตอบเมื่อก็ไซซ์ซื้อมันไว้ใจใ่ตัวหลังห้านี่ยแห่มันโมรูดเท่ามันมันเสียไพร์ลูดเท่าห้านี่ยสมมุติทางร้ hmm? านก็บแม่มันต้องพููสมมติึ้นสิบพ้นจากสมมุต so ิก ah. <LA> ับแม่มันต้องพูดเป็นผู้สิบพจน์คือต่อพี่เต็มเป็นที่มีคือต่อหน่องเป็นหล่องคอ่คือต่อตัวยังเป็นโปโลคือต่อตาคือต่อขอต่อ จมูกลื่นกายอย่างนี้มันจะแตกสลายลงเป็นดินเป็นหนักเป็นไฟเป็นร่มนี่ใจก็ต้องเพิ่งใจผู้เดียวซะตัวจิตจะตั้งทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนําสุขมาให้นําสุขมาให้ตาหูจมูกลื่นผมบอกน้าสุขมาให้ใจ ท, าา ท, ทั้งตัวจิตตรทาตมาธิสาธุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีเป็นนีระวังตาหูจมูกลิ่นกายใจเพิ่นบอกเป็นบุคลาธิฐานเลย กรรมฐานอ is, <re fer ites> ันไหนมืม <re fer ites> ีใจเป็นหัวหน่ามีบอกอสุวกรรมฐานคำมือมีใจกับพี่ก็นาเป็นกรรมฐานทุกวัดทุกบาทก็บมือใจเป็นหัวหน่าหมดทั้งตัวทิไปทังบาปก็บมือใจเป็นหัวหน่าที่ไปทั้งบุญก็บมือใจเป็นหัวหน่าเชให้ท่านรักษาสินพราะนาก็บมือใจเป็นหัวหน่าขี้ขี่ขี้ดังสิถือพิษเห็นพิดก็บมือใจเป็นหัวหน่าหมดทั้งนั่นใจว่าเพ่งใจไปเพิงไสาะตาเน่ยใจว่ามีอิสระในจักรของมีอิสระที่ทั้งโง่หมดใจ มีอิสระที่ทางแกจะคล้องหายออกจากโค้งหลงโมมี่บ่น่นั่นมีอิสระจะท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาทองศารเนเดียวบ่มีมีสิบ่มมีอิสระให้เบื่อให้นายบมาขข่มีอิสระจะท่งผูกบ่ผูกกับคล้องบ่โมมี่อิสอิสระทางแกบ่น่เขาพักตูเขาเป็นบัออกออกก็เป็นเห็ว่ามีปญัญญาอย่างไร มาเกิดแก่เก็บตายก็เหมอนาเป็นสีเบือข่มเกิดแก่เก็บตายก็เหมอนเบือปเป็นสีว่าตัวพี่มันนาอย่างไรสันนั่นตัวนง่าใจเมแก่ไ่าใดฆ่าเจ้าย่างง่ายแหเอาไปเอามา้มาทำเมื่อไหมุนหยุดลวงทั้งใจอย่าไปสงสัยหาไปทั้งอื่นเพื <c oughs> ่นว่าพมดาดเดินมันเป็นโวหารคำว่ า, าโวหารกับหารลงทั้งไก่โวหารกับโวหรอนนันเดียบ มันหอนออกมาจากไส่มันก็หอนออกมาจากใจไก่โลกไร้มันออกมาจากน้อยพระุวจนะออกมาออกมาจากเอกวชนะพระพุทธแปลว่ามีมากเอกแปลว่าวจนะแปลว่าขั้มพูดวจนะแันว่าขั้มพูดขั้ม พ, พูดหลายมันก็ออกมาจากขั้มพูดน่อยชินับทังโกดทั้งลาลกันกนักออกไปจากหนึ่งยน่นลงมากเอาย่นลงมากของหนึ่งตัวหนึ่งเหมือน อารมณ์จังร่อยโกรธอารมณ์ขยุนลงมาทั้งเอกอารมณ์ในปัจจุบันอันนี้จังสีมีมืินมีแสนมีล้านมีโกตื้อติวเสลี่วติวเป็นนิ้งสร้างสามปีเงียบออกจังเพิ่งวานกสร้างเกินยุนลงมาหาอานิจเอกอานิจจังในปัจจุบันถ้าปะทุกสี่มีตัางล้านต่โกตื้อติวเสลี่ยวติวกระตำก็ยุนลงทังมาหาเอกะทุกในปัจจุบัน ชาพโลกมีทนายก็ตามยนลงมาหาเอกลกุกในปัจจุบันอมนโลกเขาลออกัมนกมันก็มดควบสงสยัยท่านตัวจะไปสงสัยไปสซอีกท่านเนี่ยวขงท่านเอาหลดว่าถ้ามันนักภาวนาเลยเนี่ก็เดียวว่ามันนักภาวนานบูบอกคือยังตัวต้นซัออกซว่าตไปไก็ไปถึง่ตายอยู่ในโลกของเา ที่ี mind, ่ท่อฟาท่อแทนกันจะซูกันอยู่นี่ตุกขอมลงอยู่สนามใจนี่ว่ไปสูวิเศษดิเดีรอยู่ภูเขาภูเขากับพ่อพ่หน้าหายเด้เดียอยู่ดินเพียงนีนเพียงกับพ่พ่หน้าหายขกันอยู่สารากำงามสารากงามกบพ่อพ่หนห้ขึ้นกันนอดยกขีดขีดก็บพ่อพ่หน้าหายขึ้นกันนล่ย่างมัดมือย่างกับพ่อพ่อหน้าหขึ้นกันกับมัใจเขาเนี่ยผู้ชิูุชิเห็นเท่ายร่อกสันเอาว่า ยืนครับเดี๋ยวอาปากกินน้องคือส้มผู้กะนี่ขามันกับพระพา่วนาหน้าให้คือกันฮะแต่ไม่ใจเจ้าของนะ่ะพูดสิเห็นดีเห็นชอบรงป่านี่ยังสงสัยพระพูทธพระธารมพระสงฆ์เลยเลยสิวายได้เว่ยไนหนาสวยเมือม่อยเมื่อยเดี๋ยวนี้ กาบกับกาบจะคล้องฮเนี่ยคของจะค้องนึกขึ้นก็บัจจัยจะคลองต้องไปพูนพูไหวเข้าใจว่ากาบเขากับพิบายนว่งไงที่ธรรมะยึดนใจจะคลองผู้โทษธรรมสังโฆอันนั้นสแสดงมาญาปั้นาานอกนื่สือเป็นบุคคลาธิฐานนี่สือส่วนธรรมะธิฐานกับาบใจข้งไป้องมันเพรใจมันนึกขื่นดีมันกาบกระถิไปมันกาบมัน่นหนึ่ตัว